ก็ได้สวดอินหาปจเวกแต่แล้วบทสวดบทเนี้ทําให้เราเห็นปวากจรของชีวิตที่ไม่มีใครหนีพ้นคือเราต้องมีความแก่ความเจ็บความตายการพัดพาจากของรักของชอบใจมีกรรมเป็นของตัวทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วถ้าเราพิจารณาบ่อยๆเนี่ยเราก็ยอมรับความจริงของชีวิตได้ทําให้ทุกข์น้อยลง หรือเป็นคาถาขายทุก์ก็ได้ช่วงนี้เป็นช่วงที่บ้านเมืองวิกฤตหนักโควิดระบาด ท, ทำให้ทุกชีวิตมีปัญหาไม่ว่าจะแบนด้าเศรษฐกิจได้สุขภาพหรือจิตใจเราจะมีข่าวคนตายกันทุกวันทุกวันมาอ่านข่าวเจอแล้วก็สลดใจอย่างมีเด็กหญิงเนี่ยเจ็ดขวบร้องไห้กอดศพแม่โควิด ต, ตายนะคือแม่เนี่ยยังไม่ได้ฉีดวัคซีนนะพ่อก็ติดลูกก็ติด แม่ก็ติดก็ใช้ฟ้าไทยโจรว่างอะไรบ้างหายากินไปตาหรือตำราเพราะว่าจะไม่ได้ฉีดวัคซีนอันนี้เป็นทั้งครอบครัวเลยแล้วก็มาพวกพระก็อย่างพระครูประหลัดมานิ่เจ้าอาวาสติดก็ไปนิจฉบบาทที่ขอนริกาสุวันนนนะ่ะแล้วก็ติดโควิดแล้วก็ตายไปแล้วรับตำแหน่งเจ้าอาวาสได้แค่ยี่เจ็ดวันแล้วแกไม่ได้ติดคนเดียวนะก็ทาให้น้อง แล้วคนที่ใกล้ชิดติดหมดเลยคือโควิดนจะติดง่ายคนอื่นก็โดนทางเลขไปด้วยเพราะผ้านี่ยโควิด COVID ง่ายอย่างพิธบาทเนี่ยบางทีเราใส่แมสจริงก็ยังป้องกันไม่ได้หรอกเพราะว่าโยมถ้าติดโควิดเนี่ยโยมก็จะเอาของมาใส่เราต้องสัมผัสแล้วเราก็เอามือไปจับของนั้นโอกาสติดจะสูงมากแมสก์แมสเนี่ยป้องกันได้นิดหน่อยเองแล้วมหาสมปองก็ติดโควิดตอนนี้เขาว่ารักได้ขา่ารักษาหายแล้วแต่ก็ท่านก็ทําให้ พักคูหรือพี่รู้จักอะไปร่วมฉาดอาหารติดโควิดไปด้วยหลายคนพักใกล้ชิดอะท่านโควิดกระเพาะเนี่ยโอกาสติดสูงอย่างวัดเราจุดอ่อนเยอะมากเลยอย่างทําวัดเนี่ยเราก็ไม่ได้ใส่แมสก์แล้วนั่งใกล้กันด้วยถ้าใครติดคนนึงก็เป็นหมดวัดฉานอาหารก็ต้องไม่ใส่แมสติดหมดวัดแน่นอนถ้าเกิดมีใครเป็นคนหนึ่งอันนี้ก็ต้องป้องกันจุดอ่อนแม้แต่การแสดงธรรมใช้ไม้ร่วมก็อันตรายเพราะว่าไม้จะใกล้ปากมาก ถ้าอีกค น, นึงติดนะอีกค น, นก็ติดแล้วมือมันมือต้องจับไมยต่อก็ไปจุดอ่อนของวัดเราอันนี้ต้องป้องกันถ้าเกิดมีใครติดขึ้นมาเนี่ยอันตรายธรรมะที่เราพิจารณาเนี่ยอย่างพิธาจเวกเนี่ยทําให้เราเดี๋ยจิตเป็นกุศลได้เพราะว่าคนที่ติดโควิดเนี่ยส่วนมากจะกล ด, ด่าฟ้าดินด่านายกด่ารัฐบาลด่าหมอด่าคนด่าอะไรก็ได้หรือไม่กระด่าโควิดนั่นแหละ ขาดที่ดา่าในจิตเป็กกุศลนะเพราะว่าไม่ยอมรับฝวาเป็นจริงไนงะถ้าเรายอมรับความจริงได้แล้วก็ค่อยๆหาทางรักษาแกา้ไขปรับปรุงช่วยเหลือตัวเองคือทํางานได้เราต้องมีความรู้ตัวมีสติเหมือนกันนะเพาะคนไมมีสติจะโทษออกตัวหมดแหละใครทำํำเราขัดใจเหมือนขี้หน้าเราก็ด่าเขากับผิดเขาถ้าจิตเป็นกุศลเนี่ยมันรู้ตัวนะมันก็เฮ้ยเราคิดไปดีเขานะเด็กกุศลแล้วถ้าเรารู้มันก็มันก็ดับไปอารมณ์อารมอ า, อากุศลต่างๆเนี่ย การให้เราเจรติ่ยจิตสําคัญอยู่ที่ตรงนี้แหละอาโลภุสุนไม่ยึดมั่นถือมัน่นทำยปล่อยวางได้เร็วเอาดีเผลยบ้างไปปรุงแต่งก็เป็นบางครั้งแต่ไม่จริงจังเท่าไหร่อันนี้คือที่สงการเจรติยังเมื่อไม่กี่วันก่อนก็มีเพื่อนที่เคยบวชที่เนี่ยกระสือออกไปดูแลพ่อแม่ที่ป่วยหนักอยู่แถวตลาดพลูคนนี้เขียนไม่เสร็จเราบอกว่าโอ้โ oh, หทุกทุกนี้เครียดมากเลย แถวตลาดภูร์เรติดโควิดกันโอ้ล้านาวเลยตายบ้างล้าด้ยบ้างบางทีติดทับครอบครัวนะไม่ได้ติดคนเดียวนะเพราะบ้านที่ติดปา น, นุ่ก็ติดคนแล้วย่าแกก็ติดทับครอบครัวนะทุลิขีตหาทางออกไม่ได้เลยอารตมาก็เลยไม่รู้จะพูดยังไงนะเพราะว่าเพราะแกอยู่ในเหตุการณ์ทุทกข์กว่าเราไงกดดันกว่าเราเราก็เลยเขียนบอกไปว่าให้ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยใจที่ปล่อยวางเพราะว่ามันไม่ผิดคำหรอกแต่ว่าทำไอสิ่งส ก, ใใกิจใจก็ได้อาร์ตมาก็เลยตามเรื่องนี้มาพูดวันนี้แหละเพราะว่าเรื่องนี้เราจะพูดยม มันก็ไม่ใช่การเทศะถ้าพูดเรื่องสรุปสนานก็ไม่ใช่อ่ะเราต้องพูดเรื่องที่ให้เห็นความจริงของชีวิตอัปเดตเหตุการณ์ปัจจุบันก็มีเรื่องโควิดดีแหละเพราะเพราะถ้าเกิดเราไม่อยอมรับความเป็นจริงนะเกิดเราเห็นคนตายที่เป็นคนใกล้เราเนี่ยเราก็จะเสียใจมากเลยตัวเราทําท่าจะตายป่วยหนักอนะ่ะเราก็จะรู้สึกเสียใจเหมือนกันเพราะทุกทุกชีวิตแต่ไม่อยากตายอยากอยู่นั้นแหละความกลัวทุกอี่างได้ลงที่ความตายหมดเลย ทีบทีกิเลสว่าอ้างรุนอางนี้ที่กลัวตายลึกๆมันมีใครกลัวตายมากกลัวตายน้อยถ้ากลัวตายมากก็จะแสกออกบาทางการป้องกันตัวสุดอย่างสูงมากเลยถ้าคนกลัวตายน้อยก็ไม่ค่อยป้องกันตัวเท่าไหร่อย่างมีทานชาดกอยู่เรื่องหนึ่งมีครอบครัวหนึ่งอยู่ด้วยกันหกคนพ่อแม่ลูกชายายลูกสาวลูกสะภ้ยคนใช้ครอบครัวนี้มีอาชีพทำนาแต่ครอบครัวนี้ฝ่ไฟธรรมะนะตัวพ่อเนี่ย จะบอกให้คนในบ้านเนี่ยฝึกจเจริญ ม, มานานรุสติอยู่เสมอไม่ได้ขาดอยู่ว่าวันหนึง่งพ่อเนี่ยก็ไปทำนากับลูกชายไอ้ก็สองคนตามปกตินะไปในเช้าเลยพ่อก็ไปทำนาลูกชายนี่ก็หาเศษขยะหรือบูลต่างๆเี่มาเผาไงเดยบริเวณ น, นั้นเนี่ยมันมีงูเห่าอยู่แล้วขณะที่ก่อไฟเนี่ยฟันไฟมันก็ไปสร้างความรำคาญให้ ง, งูงูโมโหมากและแอบมากัดลูกชาวนาเนยจนตาย ผู้เปพ่อเห็นลูกล้มลงก็วิ่งมาดูพี่นาดูบาดแผลก็รู้ว่าเออโดนงูเห่ากัดตายแกก็เอาผ้าคุมศพแล้วก็ไปไถนาต่อโดยไม่สนใจอยาดีและไม่ได้เสียใจกับศพลูกชายเลยจนมีชาวบ้านแถวนั้นเดินผ่านมาอ้าวแกก็บอกฝากมาบอกทางบ้านว่าเตรียมอาหารมาแค่ชุดเดียวก็พอแล้วแล้วบอกให้คนทางบ้านเนี่ยมาทานหมดมาทหมดบ้านเลยนะหลังจากขึ้นบ้านเนี่ยไปบอกแม่ ที่ภรรยาของชาวนาเนี่ยแกก็รู้แล้วว่าลูกชายตายแกก็บอกให้ไอ้ลูกสาวลูกสะใภ้คนใชร้รู้แล้วก็เดินทางไปที่ศพไปจึงก็เอาข้าวให้ชาวนาพ่อไม่มีใครเสียใจเลยชาวนาแกก็เอาข้าวมากินพอกินเสร็จครอบครัวนี้ก็หาฟืนฟืนมาแล้วก็เอาศพมาวางแล้วก็เผาโดยไม่มีใครร้องไห้เศร้าโศกแต่อย่างใดขณะนั้นก็มีชายแก่คนหนึ่งเดินผ่านมา เกิดควสงสัยยืนเข้ามาถามว่าผู้ตายเป็นอะไรกับท่านไม่เห็นพวกท่านร้องไห้เสียใจเลยผู้ตายเป็นคนอื่นป่วนพ่อก็ตอบว่าคนตายเนี่ยเป็นลูกของเราเองตายไปแล้วก็เหมือนงูที่ลอกคราบไปหาพบใหม่ซึ่งงูลอกคราบเด็กจะไม่ใจดีกับซากที่ลอกคราบไปแล้วฉันใดให้เราร้องไห้ก็ไม่เกิดประโยชน์กับผู้ทตายแล้วฉันนั้นเราจึงไม่ร้องไห้หรือเสียใจ ผู้เป็นแม่บอกว่าเวลาเขามาเกิดฉันก็ไม่ได้เชิญเขามาเกิดหรืออ้อนวอนมาแต่อย่างใดเวลาเขาตายฉันก็ไม่ได้อนุ ญ, ญาตหรือขับสายไล่ส่งเขามาเองไปเองแล้วก็ถึงฉันร้องไห้ก็ไม่เกิดประโยชน์อันใดยิงไม่ร้องไห้น้องสาวก็ตอบว่าการร้องไห้เนี่ยอาจทำให้เจ็บป่วยเป็นทุกข์ซึ่งไม่ผลดีถึงร้องไห้ไปก็ไม่เกิดประโยชน์นคนที่ตายไปแล้ว อยึงไม่ร้องไห้เมียผู้ตายก็บอกว่าการร้องไห้เด็กคนตายเนี่ยก็เหมือนเด็กทารกที่ร้องไห้อยากได้อาทิดป้าจันมาครอบครองซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่เกิดประโยชน์นั้นและเป็ น, ปนไปไม่ได้จึงไม่ร้องไห้มาถึงคนใช้คนใช้ก็ตอบว่าคนตายไปแล้วก็เหมือนกับภาชนะที่แตกหรือหม้อที่แตกแล้วถ้าร้องไห้ก็เหมือนอะไรหม้อที่แตกแล้วซึ่งไม่เหมือนเดิม ไม่ร้องไห้ชายชะลาก็จากไปเรื่องนี้ก็ให้แง่คิดตรงที่การเจริญนารถสติเนี่ยทำให้ไม่ทุกข์เวลาเกิดอะไรขึ้นในชีวิตแม้ในความตายก็ไม่เสียใจมากทำใจได้มีอีกเรื่องหนึง่งเรื่องนี้เป็นเรื่องเล่าจากหลวงพ่อประย om อารมาก็จำมาเล่าให้พวกโยมฟังต่อมีชา ย, ยคนหนึ่งชื่อว่าตาจันตาจันเนี่ยเป็นคนธ ร, รมธโมด้วยการที่แกรธรรธโมเนี่ย แกจึงนําลูกชายอายุประมาณเก้าขวบเอาไปฝากวัดไว้ให้เป็นลูกศิษย์จะได้ซึมซับความดีจากพระแต่ด้วยความที่ลูกชายเนี่ยซุกซนเป็นไว้เด็กไนงะเป็นเล่นทีท่าไหนก็ไม่รู้โดนไฟช็อตตายด้วยความที่แกเป็นลูกชายคนเดียวหลวงพี่ที่เป็นพี่เลี้ยงดูแลจะนําข่าวไปบอกแกก็กลัวแ ก, ก, ก, กช็อกตายหนักเลย แต่มันลึกไปลึกมาตจาจย์เนี่ยเป็นคนที่มีธรรมะฉะนั้นเราต้องเอาธรรมะนาหน้าแล้วค่อยบอกเดินไปที่บ้านอาจารันอันนั้นตาจารย์กาลังมุงหลังคาอยู่จึงเรียกตจาจย์ลงมาข้างล่างแล้วถามว่าทำอะไรอยู่แกบอกมุงหลังคาทําไปตั้งมุงหลังคาด้วยหลังคามันเก่าครับมันรั่วต้องทําใหม่จะได้ดีเอา้าแล้วเป็นเก่าเฉพาะสิ่งของท่าเหลือที่ต้องเสื่อมอ่ะคนด้วยไหม แต่จันก็บอกว่าแหมหลวงพี่บวชมานานไม่รู้เหรอว่าของเมื่อจะเป็นคนและสิ่ของเนี่ยใช้ไประยะหนึ่งก็ต้องเสื่อมไปเป็นธรรมดาคนก็เหมือนกันคนเดี๋ยวก็ต้องตายเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นธรมนธรมดาเรื่องธรรมดาเอ้าแล้วถ้าเกิดยาตายอยู่ไปทาําไงก็ไปเผาสิครับแล้วเกิดอรมาตายทายําไงผมก็ไปเผาให้ไม่เห็นย า, ยากเลยเลยเอ้าแล้วถ้าโยมตายทายําไงอุย้ยหลวงพี่ไม่ต้องห่วง ถ้าผมตายเดี๋ยวญาติของผมก็ไปเผาเองไปธุระจากการให้ไม่เห็นจะยากเลยเลยอ้าวแล้วเผื่อลูกโยมตายทำไงโอยเรื่องนั้นยิ่งง่ายใหญ่ผมก็เหาเองสิครับเรื่องธรรมดาหลวงพี่ก็รู้ว่าตาจย์นเนี่ยแกเข้าใจธรรมะนะตอบได้คล่องแคล่วเลยเข้าใจเรื่องการความไม่เที่ยงอันทีจังทุกข์างหน้าตาไงเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแกก็ลองทดสอบอีกครั้งหนึง่ง เหมือนเดิมไปและพูดแบบว่าโยมจยันเนี่ยมีสติปัญญาดีจริงเข้าใจธรรมะอย่างลึกซึ้งแล้วถ้าเกิดลูกโยมตายจริงเนี่ยโยมทำใจได้ไหมโอ้ยสบายมากไม่มีปัญหาหลวงพี่ก็บอกว่าที่มาหาเนี่ยต้องการส่งข่าวบอกว่าลูกของโยมเนี่ยมันถูกไฟช็อตตายนะพอได้ยินเท่านั้นแหละแต่จันช็อกเลยช็อกแล้วก็เป็นลมร้องไห้เป็นลมล้มไปเลย เพราะแกเกกแต่ทฤษฎีแกไม่ได้ปฏิบัติงัยอันนี้คือตัวอย่างของคนที่รู้ธรรมะจากหนังสือหรือท่องจำเอาคือจิตใจไม่เข้าใจธรรมะเวลาเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันดับทุกข์ไม่ได้ชีวิตคนเราเนี่ยถ้าเราสังเกตดีๆเนี่ยจะมีสิ่งที่กำห น, นดเราอยู่ห้าอย่างที่มีอิทธิพลครอบงาเราขณะที่เรามีชีวิตอยู่คือหนึ่งอายุสองความเจ็บ ป่วยบาเหตุต่างๆสามการเวลาที่จะตายสี่สถานที่จะตายห้าคติที่จะไปเนี่ยห้าอย่างเนี้จะครอบงำเราอยู่มีอิทธิพลแล้วเราก็กำบลดไม่ได้ด้วยอย่างข้อหนึ่งเนี่ยอายุอายุเนี่ยไม่มีใครรู้เลยว่าเราจะตายเมื่อไหร่บางคนตายตั้งแต่เด็กบางคนตายตั้งแต่ยังหนุ่มสาวบางคนตายตอนแก่เราก็บลไม่ได้อย่างเมื่อวานอยู่ทุกศักด์ ที่เคยอุปถามขับรถให้กับวัดเราเนี่ยก็ได้ตายลงแต่ดูในข่าวก็แกบอกออกมาว่าอายุแกห่างอันมาสองปีแต่ถ้าดูในข่าวเห็นเขาเขียนไวนะ้นะเขาบอกว่าหกสิบแล้วแกกว่าสี่ปีอันนี้แกก็ดูบหรี่จัดด้วยไม่ค่อยรักษาสุขภาพก็อาจจะเป็นสาเหตุทําให้เจ็บป่วยแล้วก็เครียดเพรอยู่คำสั่งเนี่ยแกจะมองโลกในทางร้ายหน่อยก็คุยแล้วออกไปทางลบมากกว่าบวกถ้าคนเราอยากมีความสุขก็ต้องมองโลกในแง่บวกมั่งอันนี้ก็ตาย วัยกลางคนหกสิบยังไม่แก่มากวันก็มีข่าวหนึ่งอดีตดาวร้ายชื่อดังเกชาเปียวิถีอันนี้ก็ตายแต่เกชาตายอายุเก้าสิบห้านะเดี๋ยวนี้จะหาคนอายุเก้าสิบห้ายากมากเลยเพราะเราผ่านการเวลานยาวนานอยู่ยากนะสมัยนีย้อยู่ถึงเก้าสิบห้าเนี่ยข่าวว่าตายด้วยโควิดโควิดแล้วก็ตายถ้าคนสมัยใหม่จะไม่รู้จักเกชาแต่ถ้าเป็นรุ่นเก่าจะรู้จัก มาเป็นเด็กแกก็เล่นหนังเป็นเดาลัายแล้วเป็นเจ้าพ่อเป็นมาเฟียอะไรเงี้ยเป็นดาลายระดับรุ่นใหญ่คู่กับพวกดามดารากรอะไรพวกเนี้ยคนคนเก่าจะมากพระนั้นอายุจึงเปสีโกรดไม่ได้อยู่เ น, นต้องเผชิญการควบคุมแล้วข้อที่สองการเจ็บไข้ได้ป่วยอันนี้เราก็คุมไม่ได้เหมือนกันวันนี้ร่างกายสุขภาพดีแต่พรุ่งนี้ไม่แน่อุบัติเหตุก็เหมือนกันเราควบคุมไม่ได้หรอกเราควรจะ ถือว่าโชคดีนะที่ตอนนี้สู่ภาพเรายังดีมีหลายคนที่เจอการเจ็บป่วยอยากกินแล้วกินไม่ได้อยากลามาบางทีก็อยากไปอุดฟันยังไปไม่ได้เลยยุคโควิดระบาดหัวทำให้หมูเดือดร้อนเราทนไปอดีกกินอาหารไปฟันอาหารก็ไม่ติดที่ฟันเนี่ยปวดบ้างอะไรบ้างกินไม่ถนดัดไม่ถนดัดเคี้ยวก็ยาก อย่างวันก่อนสองวันก่อ น, อ, นอาจารย์พีสายพูดเลือกโชคดีที่กินได้แต่มาสลดใจมากเลยฝ่ายนี้รู้สึกว่ามันเหมือนแต่พูดถึงเรื่องเรากินก็ยากแต่โชคดีที่เรางกินได้นะมีหลายคนนอนพผ่าเงาผาเงาให้น้ําเกลือยอย่างเงี้ยอย่คนป่วยจะไม่มีความรูกอยากกินอาหารเลยชีวิตตกแล้วก็ลําบากเบื่ออาหารไม่รับรู้รสก็มีอย่างเราเนี่ยยังกินได้ยังถือว่าโชคดีก็ถือว่าเราโชคดีไว้ก่อนที่เราสุขภาพยังไม่เป็นไรอวัยวะยังครบสามสอง บ้างก็พี่กงพิการไปนั้นกายเจ็บป่ยวยเราควบคุมไม่ได้อูบาดเหตุก็เหมือนกันมาข้อที่สามการเวลาที่จะตายเราไม่รู้รลยะตายตอนไหนเช้าสายบ่ายเย็นกลางคืนอันนี้ตายได้หมดกูคุ้มไม่ได้มาข้อที่สี่สารที่จะตายอันนี้ยิ่งกู้คุ้ไม่ได้ใหญ่เลยก็อยากตายในบ้านก็ตายไม่ได้แม้อโรงพยาบาลที่วัดบ้างก็ตายในนั่เครองบินตายตายบนอากาศ บางก็ตายในป่าหรือแม้กระทั่งตายในร้านก็มีสมัยโควิดยุคเนี้ยบางคนตายกลางถนนก็มีเดินข้ามถนนไปแล้วก็บุ๊บไปตายก็มีหลายรายที่ว่าตายบนถนนไ ม, ม่ใครอยากตายแบบนั้นหรอกแต่ว่ามันเหนือการควบคุมแล้วก็มาข้อที่ห้าเนี่ยคติที่จะไปติที่จะไปที่เราก็ควบคุมไม่ได้เหมือนกันเราทําดีได้ดีทั้งชั่วได้ชั่วถ้าเราหมั่นทำความดีบ่อ ย, อยเนี่ย เราก็ไปตายไปก็ไปเกิดสถานที่ดีได้แต่ถ้าเราทําชั่วฉิดเปกุศลทําบาปตายไปก็อาจจะไปตกนรกหรือไปทุกขติได้ไม่ตกนรกก็ไปเกิดที่ไม่ดีเพราะว่าตัวกรรมเป็นตัวชัก น, นําไงเราปลูกมาม่วงเราก็ได้มะม่วงู้เรียนก็ไดู้้เรียนเราทําไงแล้วก็ได้อย่างนั้น <S <S ที่คนเราทําชั่วเพราะว่าเราไม่ควบคุมไม่กดข่มใจตัวเองไงตามกิเลสอยากทำอะไรก็ทําทแต่ถ้าเรารู้จัก ห, ห้ามใจเราก็จะไม่ทําชั่วทําบาปไม่ผิดศีลผิดศีลในที่นี้หมายถึงเปลี่ยนตัวเองเปียนคนอื่นนะเบลี่ยนไปคนอื่นอยากได้ของคนอื่นบางทีชอบผู้หญิงผู้ชายเราก็ไปแย่งชิงเข้ามาหรือบางคนก็ไปคมขืนข่าเขาก็มีหรือไม่ก็ไปโกงโกงนี่หมารูปแบบนะบางทีก็โกงด้วยช่อล่าปังหลวงโกงแบบโจรก็ป้นซึงหน้ารักขโมยอะไรเงี้ย ซึ่งทำเพราะควบคุมตัวเองไม่ได้อยากได้คนอื่นแต่ถ้าคนที่มีคุณธรรมเนี่ยเขายังไม่อยากได้ของคนอื่นเลยจะพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีสิส่งทีตัวเองได้ชีวิตก็ราบรื่นอยากได้ของอะไร <S <S <S ถ้าเราไม่มีเงินซื้อเราก็ไม่ซื้อแต่ถ้าเรามีเงินซื้อก็เราก็ไม่เดือดร้อนเพราะเราเอาเงินของเราเองซื้อไม่ใช่เอาเงินอนาคตมาซื้ออย่างอยากได้มือถือเนี่ยเราไม่มีตังพอเราไปยืมกู้นี่ยืมสินมาซื้ อ, อยากได้รถเราก็ไปยืมเงินมาซื้อ แต่ถ้าคนมีตังค์แล้วซื้อไม่มีใครว่าอะไรหรอกก็ถือว่าใช้เงินให้เป็นประโยชน์แต่บางคนโง่มีเงินก็เอาไว้ใช้ชาติหน้าก็มีมีหลายคนที่ว่ามีตังค์แต่ไม่รู้จักใช้ตัวเองก็อดอยากๆกินแล้วก็เขียมจะใช้มือถือก็ใช้แบบพังๆถูกคือซึ่งเดี๋ยวก็ตายแล้วซึ่งก็ควรหาประโยชน์จากการที่รวยการที่มีเงินอันนี้พระเจ้าสารรเสริญพระเจ้าจะตําหนิคนที่ประหยัดขี้เหนียวไม่สมฐานะอันนี้ พอเงินตายไป ไ, ปไม่ได้เดือา บ, บาทเดียวผุใช้เงินเป็นเนี่ยจะบริหารที่จะถูกต้องอันนี้สมควรใช้ก็ใช้ไปอันนี้ไม่สมคว ร, ควรใช้ก็ไม่ใช้บุญเนี่ยเปรียบเหมือนเรือบาปเปรียบเหมือนก้อนหินบุญน่ยสามารถรองรับก้อนหินได้เป็นรำเลยนะมากมายเลยขณะขณะก่อนที่เราจะตาย เ, ยเราคิดถึงความดีขึ้นมาคิดถึงบุญกุศลเนี่ยสามารถไปสุคติได้นะนั่งคติของเราจรงไม่แน่ไม่นอนแต่ถ้าเราทําบุญมาเยอะแยะแต่ตอนตายเนี่ยไป ค, คิดถึงเรื่องอุุศลคิดถึงเกียรตที่หน้าภัย หรือเกลียดหรือนึกถึงคนที่ทำร้ายเราคนที่เราไม่ชอบหรือนึกถึงบาปทื่องเคยทำไว้อาสัตว์ตัดชีวิตเบียดเบียนคนอื่นอันนี้เราไปเราไปทุกวตนได้เลยเหมือนก้อนหินเนี่ยโยไปก้อนเดียวก็ตกน้ำละห้าสิ่งเนี้ควบคุมไม่ได้สิ่งเราทำได้ก็คือมาปฏิบัติธรรมมาเจริญสติเนี่ยอย่างที่เราทำอยู่ทำบุญทาบุญส่วนทำาดีมากๆหัดเจริญสติในชีวิตประจวัน แล้วก็หาดปล่อยวางในชีวิตประจำวันเนี่ยเพราะว่าถ้าเราไม่ฝึกปล่อยวางเราปล่อยวางไม่ได้หรอกเวลาเกิดเสียนู่นเสีย น, นี่ขึ้นมาทําใจยากแล้วเราก็ต้องพิจารณาบนฐานสติด้วยเพราะว่าถ้าพิจารณาบ่อ ย, อยๆเก็จะรู้ว่าความยิงชีวิตเราหนีไม่พ้นก็คือความแก่ความเจ็บความตายหากจะขอรักขอชอบใจเสียอเนี้เกิดกับเราแน่ไม่มีใครหนีพ้นอย่างความแก่ก็ทำให้คนทุกข์มากเพราะวาความแก่เนี่ยมัน เป็นสัญลักษณงความตายนะความแก่เนี่ยมันจะค่อยๆแก่ร่างกายพังธาตุดินน้ําลภไฟต่างๆเนี่ยมันค่อยทํางานแล้วถ้าเกิดเวลาหนาวก็หนาวมากผิดปกติซึ่งปกติมันจะไม่หนาวคนแก่มากคนแก่จะหนาวมากเลยเพราะร่างกายธาตุไฟมันจะออกมันจะหมดแล้วอันนี้ก็เหมือนมะม่วงเนี่ะที่ว่าใกล้จะหลุดจากขั้วถ้าเราไม่ยอมรับเน่ยเราจะทุกข์มากอย่าดินน้นรนเพราะว่ามะม่วงมันก็ต้องแก่แก่แล้วมันก็ต้องหลุดเองเตามธรรมชาติ ม, มีใครหนีศีลธรรมมีพ้นบางคนก็พยายามหนีความจริงไงโดยการย้อมผมมั่งบางคนก็ไปไปผ่าตัดเปลี่ยนแปลงโฉมให้หนุ่มให้สาวกว่าเดิมไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะ น, นี้ถ้าเรายอมรับความจริงได้หน้าตาเราเป็นยังไงก็เออเราเลือกไม่ได้หรอกเอเกิดมาตาหล่อสวยเกิดมามีฐานะ ด, ดีอันนี้เป็นบุญกรรมที่เราทาไว้คิดได้คิดอย่างนี้ได้เราก็มีความสุขไม่ติดหลนสแสวงหาอะไรเราก็อยู่ในโลกนี้อย่างมีความสุขคือยอมรับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นได้ ใจเราก็ปล่อยวางปล่อยวางได้เราก็ทุกไปเยอะถ้าเรื่องทุกเล็กๆ ก, ก็กลายเป็นหายทุกไปทุกใหญ่ๆก็กลายเป็นเรื่องเล็กๆไปอัดมาพูดมาก็เห็นว่าสมควรกับเวลาสุดท้ายที่ขอญาตโยมปลอดภัยจากโควิดมีความสุขมีความเจริญทำยิ่งขึ้นไปเอวัง